สมัยก่อนนี่มีมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเราก็แนะนําเขาเออเธอสมาทานศีลทุกคืนเลยนะเอาใหม่นะก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีลเองเลยคล้ายๆกับไปสมาทานกับพระนั่นแหละตื่นเช้ามาสมาทานอีกลักษณะนี้บ่อยๆบ่อๆ่อๆสมาทานที่กุศลจิตเกิดเที่ยมันตั้งใจปารภอันนี้บ่อยๆ่อๆขึ้นเสร็จแล้วก็ได้สํารวจกายกรรมวจิกรรมของเราเนี่ยมีข้อผิดพลาดข้อไหนบ้างพลาดข้อหนึ่งมาทานเอาใหม่ โอวันนี้ไปเจตนาตบยุงมาเอาใหม่นะแล้ว ก, ก็สมาทานลักษณะอันศีลข้อหนึ่งบริสุทธิ์ได้ด้วยการแสดงถ้าเป็นพระด้วยการแสดงถ้าเป็นคาราวาสก็ด้วยการสมาทานทีนี้ข้อต่อไปอีกอนะก็เรียกว่าอินทรีย์สังวรไปปล่อยตาไปดูในสิ่งที่ไม่ควรดูกิเลสเกิดมากเอาหูไปฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังเอาจมูกไปดมในสิ่งที่ไม่ควรดม เอาเรียกว่าไปติดใจในรถอาหารบางอย่างโลภะเกิดตั้งโหมากมายหรือปล่อยจิตให้ไปคิดในเรื่องที่ไม่ควรคิดสมาทานเนยอันนี้เรียกว่าอาธิษฐานสมาทานเอาใหม่ว่าจะไม่ให้บาปอย่างนี้มันเกิดอีกนะตั้งใจใหม่ทําได้นานขนาดไหนก็ไม่เป็นไรเอาใหม่คิดได้เมื่อไหร่เอาใหม่สมมุตินะไหนหนะเป็นอันนี้นี่มันไม่ไม่ได้จํากัดเพศอ่า น, นะศีลข้อตาหูจมูกเลิ้นกายใจไปปล่อยให้มันเป็นบาปนะ ไม่ได้จํากัดเพศสมมติเราขับรถไปเผลอไปคิดไปเรื่อยเปื่อยอธิษฐานโอ้เราปล่อยนะเราจะเจริญตั้งใจเจริญกุศลให้มันได้สักข้อหนึ่งนะอธิษฐานลักษณะนี้ไปบ่อยๆบ่อยๆขึ้นกุศลจิตก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละถ้าเราสามารถอธิษฐานลักษณะนี้บ่อยๆเ้าเรียกว่าอธิษฐานสุทธิบริสุทธิ์ได้ด้วยการตั้งจิตแล้วต่อไปนะปัจจะยะสานิสีตาสีนะเราก็เริ่ม อยู่ในสถานที่เข้าไปที่ไหนก็เริ่มมีการพิจารณาเช่นเข้ามาในห้องเรียนปุ๊บเราก็พิจารณาว่าเราเข้ามาทําไมประโยชน์ของการทั้งหมดเลยเข้าไปในแต่ละแห่งแต่ละแห่งก็เกิดการพิจารณาก็คือประเภทสาทากะสัมปชัญญะนั่นเองนั่นแหละสาทธาะสัมปชัญญะก็จะเข้ามาและมีการพิจารณาแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มเนี่ยอาเลยนะห่มทําไมตั้งคําถามเลยห่มทําไมหรือถ้าหากว่าจะเอาลึกซึ้งไปกว่านั้นอีก ผ้าที่เราห่มนะมันก็ไม่รู้ว่ามันห่มกายใช่ไหมกายก็ไม่รู้ว่าถูกผ้าห่มก็เหมือนกับต้นไม้อะถูกเอาผ้าไปคลุมไว้อเคยเห็นเขาบวต้นไม้ผ้ามันก็ไม่รู้ว่ามันปิดต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้ก็ไม่รู้ถูกผ้าห่มกายเราก็เหมือนกันนั่นแหละต่างคนต่างไม่รู้เลยผ้าก็ไม่รู้ว่าห่มกายกายก็ไม่รู้ว่าห่มผ้ากายเนี่ยพระองค์บอกว่าเหมือนกับ เป็นแผลใช่ไหมคาว่าแผลเป็นชื่อของของกายนี้ก็มองกายนี้เหมือนกับแผลผ้าที่เอามานุ่งมาห่มก็เหมือนกับผ้าพันแผลคนที่ทําใจได้อย่างนี้เป็นอาสัมโมหะยัง่อยเฉลียวขึ้นนั่นนะทีนี้ต่อไปก็พิจารณาว่าผ้าก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นโพธะธาตุนะที่เรามานุ่งห่มเนี่ยผ้าเป็นโพธพธาตุกายเป็นกายาธาตุ อาศัยกายกับผ้ามาห่มก็ทําให้อุ่นขึ้นใช่ไหมเป็นกายวิญญาณธาตุทั้งแต่ละอย่างเนี่ยกายก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีผ้ามาห่มไอ้ผ้าก็ไม่รู้ว่าไปห่มกายโพธภาภะก็ไม่รู้ว่าต่างกาต่างคนต่างฝ่ายก็ต่างไม่รู้ไอ้กายวิญญาณก็เกิดขึ้นเพราะมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องเกิดขึ้นเพราะปัจจัยเหล่านี้ ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ต่างฝ่ายต่างไม่มีเจตานาไม่คิดอะไรพักอย่างนั่นแหละที่เหลือแล้วจะเห็นว่าโอ้ทั้งหมดนี้เราไปคิดเอาในะเรื่องราวเหล่านี้เราจะเริ่มเห็นจิตที่ไปเพ่งพินิจพิจารณาความคิดแบบนั้นเป็นมโนวิญญาณธาตุนะถ้าพิจารณาด้วยความเข้าใจความรู้เหล่านั้นเป็นธรรมธาตุ <c oughs> ก็มีแต่ธาตุชนิดหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งเกิดด้วยปัจจัยซึ่งเกิดด้วยปัจจัย สิ่งใดก็ตามที่มีปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นเที่ยงไห ม, มสังขารทั้งหลายที่เที่ยงมีไห ม, มไม่มีนะไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ควรแล้วหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเราด้วยอำนาจของตันหาเข้าไปเพลินยินดีไม่คว ร, ไ ม, ควรไม่ควรนะี่ยเนาะควรไหมที่จะไปสําคัญมั่นหมายว่าเราเนี่ยดีเหลือเกินเรามีผ้าอย่างนี้มาห่มเนี่ยที่เป็นมานะอนะนะเปรียบเทียบเทียบเคียง<ม>เขาบอกว่าผู้ที่ยังดูหมิ่น อาศัยกายนี้แล้วดูหมิ่นผู้อื่นพระองค์บอกว่าจะมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัจนอกจากการไม่รู้อริยสัจเท่านั้นเองนะที่อาศัยแล้วก็เย่อยิ่งมีการเปรียบเทียบอย่างนั้นอย่างนี้ท่านสุดยอดของสิ่งปฏิกูลก็อยู่ที่กายเรานั่นแหล ะ, หละก็ลองไม่ไม่อาบน้ำเป็นต้นดูก็คิดดูนะ แค่เศษเนื้อเศษอะไรออกไปนิดเดียวแค่นั้นเองอะไรที่ออกมาจากกายสิ่งนั้นปฏิกูลหมดเลยทอมน้ำลายดูดิน้ำมูกสังออกมาเด่นน้ำลายออกมาอะไรก็ตามถ้าออกจากกายนี่นะปฏิกูลหมดเลยโดยที่แม้แต่เส้นผมนะไปฉันทานขนมจีนไหมมีเส้นผมมาทักสี่หเส้นเนี่ยนะแทบคว่ำทิ้งเลยนะั่นขนมจีนช้อถ้วยนั้นอะ่ะหรือบางทีมันมืดๆนะทานทานเข้าไปมันได้สักๆนิดๆ อ, อ่ะให้มีเส้นผมอยู่ดึงออกมาดูก่อน สีอื่นไม่ใช่เส้อย่างช่วยหน่อยนั่นแหละเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่มีเส้นผมอยู่สักสิบเส้นอย่างเงี้ยโอ้โหนึกเลยแม่ค้านี่เป็นยังไงนั่นแหละข้าวปลาอาหารก็เหมือนกันที่เรารับประทานเพราะนั้นอะไรก็ตามที่ออกมาจากกายนี่นะสมมุติถ้าเรากําลังทานอาหารอยู่นะไอฝั่งโนนเนี่ยอีกคนโต๊ะกันเนี่ยมีน้ํามูกเนี่ยนะตกใส่ตกใส่กับข้าวติ๊งติ๊งติ๊งเนี่ยหันลงไหมนั่นแหละหรือเลือดกําลังหยดเนี่ยอะไรก็ตามถ้าออกมาจากกายสิ่งนั้น ปฏิกูลหมดเลยา จ, าจามใส่ทีเดียวแค่นนัะ้นะนะ <c oughs> ถ้าทบจะจ่ายเสร็จแล้วลุกหนีเลยดัะ <c oughs> นั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอะไรก็ตามถ้าเกิดจากกายสิ่งเหล่านั้นเป็นของปฏิกูลแต่ความปฏิกูลอันนี้เนี่ยเป็นอัพยาการตารำร ม, มากายตัวนี้ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปแต่บางส่วนเป็นผลของบุญเป็นผลของบาปกายที่ดีเป็นตราบุญ ส่วนที่เศร้าหมองเป็นตราบาปนะขันห้าเป็นที่ดูบุญและบาปใช่ไหมอย่างเออที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นผลของบุญนะไอ้ที่ไม่งามเนี่ยเป็นผลของบาปนะมันก็แยกแยๆอยู่ใกล้ๆกันนันพูดยากกันนะอย่างสมมุติว่าเออเนี่ยเนี่ยคนนะเออเกิน ค, คนเขาบอกว่าผิวพันธ์ดีเพราะไม่กโกรธผิวพันธ์ซามเพราะกโกรธอ่นะเพราะโทสะก็เดีเมันก็ผลของบุญก็อยู่กยใกล้ๆบาปนั่นแหละ วบุญกับบาปมันเกิดตลับกันน่ะนะมองในแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งเออเขาเป็นมนุษย์นะเป็นสุขติภูมิเป็นผลของบุญในขณะเดียวกันนะั่นน่ะบุญของเขาเหล่านั้นมีโทสะเป็นบริวารนั่นแหล ะ, ละก็เลยทําให้ได้ตราบาปก็จะมองเห็นผลบุญผลบาปถ้าเรายังมีเจตนาที่เป็นผลบุญเออเจตนาเป็นบุญบาปอยู่อย่างนี้พบหน้าต่อไปเรามีอีกไหม ถ้ายังยินดีเกี่ยวกับกายนี้เรายังไงเราต้องได้กายอีกแน่นอนถ้ายังอ่ะพระองค์ตรัสไว้เลยว่าผู้ใดยังยินดีในทุกขผู้นั้นจะไม่พ้นจากทุกข์ผู้ใดยังยินดีในกายถามว่าผู้นั้นจะพ้นไปจากกายได้ไหมนะถ้ายังยินดีทั้งในนา ม, มากายทั้งในรู ป, ปากายไม่ต้องห่วงว่าจะพ้นและเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามอํานาจของปัจจัยดงนั้นจัก ที่สําคัญที่สุดทําให้กระแสชีวิตของเราเป็นไปนั้นมีอยู่สองอย่างปุพานาจักมีหนึ่องอย่างอปปาราณจาจมีอย่างจักรหัหัวจักอันใหญ่ของชีวิตเลยคืออวิชากับภวะตันหานั่นแหละอวิชากับภวะตันหานั้นเป็นหัวจักที่ใหญ่ที่สําคัญที่สุดของกระแสชีวิตกระแสชีวิตของเราในอดีตมาด้วยอวิชาเป็นจักใหญ่หัวจกัจกใหญ่ กระแสของชีวิตที่จะเป็นไปข้างหน้ามีตันหาเป็นหัวจับใหญ่ตันหาเหล่านี้มาจากตันหามีอะไรเป็นปจัจจัยมีเวทนาเป็นปจัจจัยใช่ไหมเวทนามีอะไรเป็นปจัจจัยต้องบอกว่าเวทนามีผัสสะเวทนาทางไหนทางไหนเมื่อกี้พูดถวานไหนก่อนถวานกายใช่ไหมเรากาลังคุยเรื่องกายอยู่ต้องวนเรื่องกายนั่นแหละ เพรเวทนาอันนั้นมาจากภาษาภาษาก็มาจากกายกับโพธพภะกายตัวนั้นมาจากนามรูปนามรูปนี้มาจากวิญญาณกายนี้มาจากวิญญาณประเภทกรรมมะวิญญาณกายตัวนี้เกิดจากวิญญาณประเภทกรร ม, มะวิญญาณซึ่งกรร ม, มะวิญญาณเป็นอุปนิสัยเรียกว่าปรตูปักนิสยาปัจจัยให้เกิดกายนี้นั่นแหลาะฉะนั้นไอ้วิญญาณอันนั้นก็มาจาก สังขารเป็นปัจจัยสังขารก็มีอวิชาเป็นปัจจัยนั่นแหละอันถ้าหากว่าผู้ที่สำรอกอวิชาโดยไม่มีส่วนเหลือสามารถที่จะแทงตลอดในความเป็นสัจจะของสิ่งนี้ได้ว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละเกิดขึ้นจะจ น, นะมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละเกิดขึ้นนะแต่ต้องนึนว่าถ้ามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรสมุทัยใช่ไหมมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละตั้งอยู่และ ดับไปเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของเขาอยู่อย่างนี้แั้นถ้าหากว่าสา ม, มารถที่จะแทงตลอดอันนี้ปับ๊บก็ตัดหัวจักคือบอกพอสํารอกตันหาโดยไม่มีเหลือถ้าสํารอกตันหาได้แล้วปับ๊บตันหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับเจตนาก็ดับด้วยคือเจตนาคำว่าดับหมายคำว่าเจตนาเหล่านี้จะไม่ให้ผลอีกต่อไปพอเจตนาดับ ชาติก็ดับด้วยนะถ้าถ้าเจตนากรรมไม่มีปฏิสนธิในภพใหม่ก็ไม่มีถ้าปฏิสนธิในภพใหม่ไม่มีชาติสิ้นแล้วทีนาชาตินะชาติ ช, าตชาราพยาธิมรณะไอกล้องให้เศร้าโศกข้างหน้าไม่มีทั้งนั้นแหละแต่ก็ต้องชําแรกเพฉะั้นธรรมะในแง่ของเรียนอริยศาส์นั้นเป็นธรรมะประเภทเป็นไปเพื่อชําแรกจากปัญหาชําแรกจากอวิชชา กว่าจะผ่าตัดขนาดนี้ได้ก็ไม่ง่ายนะดันั้นพระสง์เนี่ยท่านถูกผ่าตัดอย่างนี้เรียบร้อยไปแล้วนั่นแหละเราถ้าหากว่าเรามีศรัทธานในลักษณะว่าผู้ที่เขาผ่าตัดตาปัญญาของเขาเรียบร้อยสามารถมองเห็นอริยสัจได้นั่นแหละคือสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านะนี่อุปมาต่อไปว่าอีกในหนึ่งพระพุทธเจ้านั้นเปรียบเหมือน แพทย์ผู้ฉลาดทรงสา ม, มารถกำจัดพยาธิพยาธิคือความเจ็บไข้คือกิเลสพร้อมทั้งอนุสัยออกได้พระธรรมเปรียบเหมือนเภศัชที่ทรงปรุงถูกต้องแล้วยาของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่นิดเดียวปรุงไว้อย่างเยี่ยมถ้าสงผู้มีพยาธิคือคือกิเลสและอนุสัยอันระงับแล้ว เปรียบเหมือนหมูชนที่พยาที่ระงับแล้วเพราะประกอบยาขันพระสงฆ์เนี่ยเท่าทานยาของพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาฟังดูว่ายาของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงดงั้นข้อความในติกิตชาติสูตรอังคุตระนิกายทัศกานิบาตพระ อ, องค์ตรัสว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายแพทย์ทั้งหลายย่อมให้ยาถ่าย ยาสำรอกใช่ไหมเพื่อบำบัดพยาธิคืออาพาธความเจ็บไข้อันมีดีเป็นสมุทรฐานบ้างหมอก็ให้ยารักษาโรคอะนะโรคที่เกิดจากดีเป็นสมุทฐานใช่ไหมเพื่อบำบัดอาพาธอันมีเสมหะเป็นสมุทฐานบ้างเพื่อบำบัดอาพาธอันมีลมเป็นสมุทรฐานบ้างดูก่อนที่สุดทั้งหลายยาถ่ายนั้นมีอยู่นั่นะยารักษาโรคเหล่านั้นนั้นเนี่ยมีอยู่ เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีแต่ว่ายาถ่ายนี้นั้นนะยารักษาโรคทั้งหมดนั้นอ่ะย่อมสําเร็จบ้างย่อมเสียผลบ้างนะยาที่หมอให้เนี่ยหายทุกคนไหมไม่หายหมดใช่ไหมไม่ได้หายทุกคนหายบ้างก็มีไม่หายก็มีดูก่อนพิสูจน์ทางหลายเราจักแสดงยาถ่ายว่ายารักษาโรคอันเป็นของพระอริยะที่สําเร็จผลอย่างเดียวไม่มีผลเสียเลย กินหายอย่างเดียวถ้ากินขนาน้ำนี่นะมีแต่หายที่สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากความเกิดยาชนิดนี้กินแล้วไม่เกิดอีกผู้มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความแก่อันนี้ยอมชอบไหมกินแล้วไม่แก่เลยอะยาชนิดนี้เอานะผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความตายผู้มีความเศร้าโศก ร่ำไรความทุกข์ความโทมนัตและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาดย่อมพ้นจากความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัตและความคับแค้นใจเธอทั้งหลายจงฟังยาถ่ายนั้นนะนีเรียกว่ายารักษาโรคชนิดนี้จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต้องใส่ใจให้ดีนะยาชนิดนี้ต้องเรียกว่าไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดถ่ายทอดได้ด้วยเสียง พิสูจเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายยาถ่ายอันเป็นของพระอริยะที่สําเร็จผลอย่างเดียวไม่มีผลเสียที่สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากความเกิดผู้มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความแก่ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความตายผู้มีความเศร้าโศกร่ําไร ความทุกข์ความโทมนัสและความขับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความเศร้าโศกความร่าไรความทุกข์ความโทมนัสและความขับแค้นใจยานั้นเป็นฉะไหนดูก่อนพิ่สุทั้งหลายบุคคลผู้มีความเห็นชอบนะยาขนาดแรกคือสัมมาทิฏฐินะยาของพระพุทธเจ้านะสัมมาทิฏฐิทายความเห็นผิดออกยาคือสัมมาทิฏฐิเนี่ย สำ ROC ร, รักษามิจฉาทิฐิและถ่ายอากุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยออกส่วนกุศลธรรมทั้งหลายไมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความเห็นชอบเป็นปัจจัย น, นะยาสำ ROC ยาล้างกิเลส ช, ชนิดนี้เนี่ยเป็นสำ ม, มาทิฏฐิจะล้างได้ในเบื้องต้นที่สุดสำ ม, มาทิฏฐิแบ่งออกเป็นสองอย่างคือที่เป็นโลกิยะและเป็นโลกุตระ สัมมาธิทฐิที่เป็นโลกิยะเนี่ยแบ่งออกเป็นสามระดับด้วยกันระดับต้นเรียกว่ากรรมสักกตาสัมมาธิิกรรมสักกตาสัมมาธิฏิสองฌานสัมมาธิฏฐิสามวิปั ส, สนาสัมมาธิฐิพวกนี้เป็นสัมมาธิฐิในระดับโลกิยธรรมนะถ้าหากว่าสัมมาธิฏฐิไม่เกิดอยากคิดเลยว่าไข่อะ น, นี่มันจะรักษาโดยวิธีอื่นอันคำสอนพุทธเจ้าขึ้นต้นด้วย ปัญญาก่อนทําไมจึงกล่าวเรื่องปัญญาเป็นอันดับแรกเพราะปัญญาหรือสมาธิฏิเป็นเบื้องต้นของการเจริญกุศลธรรมทั้งหมดเป็นเบื้องต้นเพราะคนเห็นถูกก็จะคิดถูกด้วยล่ะในชั้นต้นต้องรู้จักเขาก่อนนะเราต้องรู้จักว่าอะไรเป็นโรค <c oughs> ม, มิชฌาทิฏฐินั้นเป็นความเห็นผิดที่สําคัญว่าแต่ ชั้นต้นเลยนะเป็นอัตตาถ้าส้ามาธิ่ทีเกิดขึ้นนะจะละคลายความสาคัญว่าเป็นอัตตาได้ถามว่าถ้าปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยไม่เห็นเป็นอัตตาและเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นขันธ์าเห็นเป็นอายตนะเห็นเป็นธาตุเห็นเป็นพุกสัตว์ก็ได้เห็นเป็นอินทรีย์ก็ได้ ใช่ไหมขณะนี้เราใช้อินซีไหมใ ช, ใช่นะเรามีอินซีกี่อย่างขนาดนี้จากขุนซนะถ้าไม่มีตาไม่เห็นหรอกนี่ใหญ่นะใหญ่ที่สุดในการเห็นนะจากขุนซีสองโสตนซีถ้าไม่มีหมูไม่ได้ยินแน่นอนเขาเป็นใหญ่ที่สุดเลยในเรื่องได้ยินสมคาเินซีถ้าใครจมูกเสียนะเป็นหวัดเนี่ยไม่มีทางได้กลิ่นเลยนั่นแหละสามเป็นใหญ่ในการรู้รสทั้งหมดก็คือชิวหินซี เป็นใหญ่ในการรู้โพธาภะเย็นร้อนอ่อนแข็งเจ็บปวดเมื่อยต่างๆเหล่านี้ก็อาศัยตายินรียตัวรู้อารมณ์ทั้งหมดเลยอาศัยมน si ินรียเขาใหญ่ที่สุดในการรับรู้คือมน si ินรีนะจากมนินทรีย์ทางตาเนี่ยใหญ่ในการรู้สีมนินทรียทางหูเนี่ยใหญ่ในการรู้เสียงนะเขาเป็นใหญ่ในในการเป็นประธานของ เจตสิกทั้งหลายเขาเป็นหัวหน้าของเจตสิกทั้งหลายนะแล้วก็ยังมีชีวิตอินทรีย์นะชายหญิงก็อิทธินศรีปริศินศรีด้วยอินทรีย์เหล่านี้เนี่ยเป็นอินทรีย์ที่เป็นเหตุผลของอินทรีย์เหล่านี้ทำให้เกิดอะไรตาเห็นโรคทำให้เกิดสุขทุกข์ใช่สุขทุกขก์ถ้าตาก็อุเบกขาอุเบกขาก็ทำให้เป็นปัจจัยให้เกิดโสมนัตและ โทมนัตหูก็เหมือนการจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นทุกขินรีเป็นสุขขินรีแล้วก็ทําให้เกิดโสมานัตสินซีและโทมนัตสินซีต่อไปนี้เรียกว่าเป็นอินรีย์ที่เป็นผลของอินทรีต้นต้นนั้นอินรีย์เหล่านี้ยังมีอินทรีย์ที่เป็นข้อปฏิบัติด้วยนะอินรีย์ที่เป็นข้อปฏิบัติคือสัทธินรีนะต้องมีศรัทธาในเรื่องเรียกว่าตถาคตโทที่ศรัทธา และคนที่เข้าใจตถาคตโพธิสัทธาก็คือมีกรร ม, มสักกตาสัทธานั่นเองสัทธาในหลักกรรมและผลของกรรมต่อไปเมื่อมีสัทธาก็ทำให้เกิดมีวิริยะเห็นทุกโทษของบาปอากุศลก็เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อละบาปอากุศลทีนี้ต้องมีใหญ่อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาคือสติต้องไม่ประมาทนะสตินี้ลักษณะไม่ประมาทและต่อไปสมาธิสีเป็นใหญ่ในการสงบระงับ ลราก็ตั้งมั่นนะนะอวิเคปะไม่ฟุ้งซ่านและต่อไปเอกสุดท้ายปัญญีย์เป็นใหญ่ในการเห็นทั้อินซีห้าเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากอินซีต้นต้นต น, นั้นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากอินซีตั้งแต่จากขุนซีเป็นต้นและมีอินซีที่เป็นผลของการปฏิบัติอีกเขาเรียกว่าอนัญญตัญญาสมีตินรีชื่ อ, อยังจายากเลยนะอย่าว่าคิดถึงจดเลยนะั่นแหละ เันอินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเป็นผลของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ตัวนี้เรียกว่าปัญญาซึ่งเกิดจากการปฏิบัติธรรมอยู่ในโสดาปติมัตินะปัญญาที่เหลือเป็นอัญญินทรีย์แล้วก็ปัญญาในอรหัตผลและจิตเป็นอัญญาตาวินทรีย์เะฉะนั้นอินทรีย์ที่เป็นผลของการปฏิบัติมีอยู่3อย่างอะไรอินทรีย์ในการปฏิบัติมี5อย่าง อินทรีย์ที่อินทรีย์ที่เป็นผลของอินทรีย์ต้นๆมีอยู่5้าอย่างอินทรีย์ที่เป็นเหตุทั้งหมดมีจักขคูโสตะคารณะชิวหากายจิตมนอิณีศีกิตินทรีย์ปริสินศีชีวิตตินรีย์อินทรีย์ที่เป็นเป็นตัวต้นๆเลยมีอยู่เกข้อและผลของเก้าข้อทําให้อีก5อินทรีย์ที่เป็นข้อปฏิบัติอีกห้าอินทรีย์ที่เป็นผลอีกสามผลของการปฏิบัตินั้นอินทรีย์เลยมียี่สิบสองอย่าง อันนันความรู้เหล่านี้เนี่ยเป็นถ่ายทอนความเข้าใจผิดนะทั้งหมดนี้คืออินทรีย์ทั้งนั้นแหละบริวารของอินทรีย์แต่มิจฉาทิฐิมันไม่บอกอย่างงั้นนะมันบอกว่าเป็นตนัวนาใช่ไหมมันบอกว่าเที่ยงศูนย์จะเลยไปเรื่อยเอย๊จริงหรือเปล่านะมาจากผลมงกรรมจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสัมมาทิฐิก็ต้องถ่ายถอนอ่ะนะพอขึ้นสัมมาทิฐินึกออกเลยต่อไปว่าต้องเป็นอะไรสัมมาสังกัปปะ ต่อไปสมาวาจาสมมากรมมตะสมมาอาชีวะสมมาวายมะสมมาสติสมมาสมาธิและก็สมมาสมายานะรู้ชอบและก็สุดท้ายสัมมาวิมุตต์หลุดพ้นชอบดูความพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยสัมมาวิมุตต์เนี่ยหลุดพ้นชอบย่อมถ่ายความหลุดพ้นผิดออก และถ่ายอากุโซลธรรมอัลามกไม่ใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความหลุดพ้นผิดเป็นปัจจัยออกส่วนอกุโซลธรรมไม่ใช่น้อยย่อมถึงความเจริญส่วนกุโลธรรมไม่ใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความหลุดพ้นชอบเป็นปัจจัยดูก่อนที่สูตทั้งหลายยาถ่ายอันเป็นของพระอริยะนี้นั่นแลที่สําเร็จผลอย่างเดียวไม่มีเสียผลไม่เสียเลยยาชนิดนี้ใช้แล้วดีมากเลยนะไม่ต้ ง, งวนลิขิต ด, ด้วย ใครอยาประกอบก็ได้นะนะสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากความเกิดโอ้กลิ่นแล้วรักษาโรคไม่เกิดผู้มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความแก่โอ้รักษาไม่แก่เลยใครที่กลัวพยาไอ้กลัวชรามากๆก็ต้องหายาชนิดนี้มาทานผู้ที่มีความตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความตายผู้มีความโศความร่ําไรความทุกข์ความโทมานะและความขับแค้นใจเป็นธรรมดา ย่อมพ้นจากความโศกความร่าไรความทุกข์และความโทมนัสและความคัดแค้นใจได้อนะยาอันนี้ก็คือสัมมัตรธรรมสิบประการนั่นเองเรียกว่าสัมมัตรธรรมสิบอย่างความเรียกว่าสัมมา ต, ตาลแปลว่าความถูกต้องอนะเนีความถูกต้องที่เที่ยงแท้แน่นอนเลยอ่ะสิบอย่างไม่ใช่มัชชะตา ม, มัชชะตามผิดนะ ความผิดอย่างร้ายแรงอันนี้สัมมาตานเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยอ่ะไม่มีอย่างอื่นจะถูกกว่านี้อีกแล้วนี่แหละถูกที่สุดเลยมีหลายสับเหลือเกินน่ยงงอีกแล้วก็ฟังก็ยากเข้าใจยากอรับท่านตอนไททานี่ท่านมีศับแ ป, กแปลกๆมาเนะ้ออินทรียทั้งหลายไท้ททานนะ่ะหู้ยจําจำํำยากจริงๆเลยเนาะอันยัดตันยัดสามีจินจีอันยินซีอะไรพวกเนี้ยฮ ไม่เป็นไรเอาโสราปฏิมัตให้เกิดกันแล้วแต่ใช้ได้แล้วเรื่องอินรีย์นี่เรารู้สึกว่าเราพวกเราจะเรียนกันน้อยหน่อยนะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้กล่าวถึงจนสุดนะะนเร า, <นะ S 2> เ, ราเราพูดถึงเรื่องปฏิจารุบาทเข้อก็ก็พูดไปมากเหมือนกันขันก็พูดไปมากอริยสัจก็พูดเยอะนั่นแหละแต่อินรีนี่น้อยจังวั น, นวันนี้เล็กเลี่ยงซ้ำํำไงก็เลยเอาอินทรีย์มาว่ามัง้งซ้ำมานาแนละ้วเมือนเลยอ่ะวันทุ่ท้ายอ่ะ แต่วันนี้ดีนะเอาวันะไรอะไรน ะ, ส, ะสัมมัตตานะสัมมะตะัตตาสัมมะตะัมมะตตาธรรมสิบประการอันนะั้มรรแปดนะมะรแปดแล้วก็สัมมาญาณนะสัมมาวิมุตติสิบพอดีเลยสัมมาญาณนะสัมม า, าวิมุตติรวมเป็นสิบประการด้วยกันนะนะอันนี้เนี่ย หายแน่เลยโรคเนี้ยหายไหนะยาถนานนี้ผสมด้วย เ, เพศัชวัตุอย่างนี้อนนะนะเพศัชจกรเนี่ยระดับพระพุทธเจ้าเรียนใช้หลักสูตรเนี้ใช้เวลาเรียนยี่สิบอสงไขยกว่าจะเสร็จกนะว่าจะมาปรุงยา น, นี้ได้ <laughs>